ลงตาคะคือเมื่อกี้ที่ฟังป้าจิมมาค่ะแล้วที่ถามว่าทำยังไงถึงจะจบที่ใจได้ใช่ไหมคะคือเมื่อกี้ที่ที่คุยกันว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ ขันท่าไปแล้วเราก็มีสติอยู่กับขันท่าแล้วเราก็ให้ผู้รู้ทํางานโดยอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องพยายามที่จะจบที่ใจหรือเปล่าค่ะคือเหมือนกับว่าเพราะว่าผู้รู้มันทําอะไรต่อไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะจบตรงนั้นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกับผู้รู้มันก็ทําได้แค่รู้มันไปเอาอะไรไม่ได้มันไปมันทําอะไรต่อไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะจบของมันเองอยู่แล้วถูกต้องถ้าเราไม่เอาใจไปกับคนอื่นมันก็จบเพรามันเอง เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ผู้รูม้มันมันรู้ของมันโดยธรรมชาติเราก็ไม่ต้องพยายามไปจบเพราะว่ามันก็ทําได้แค่นั้นอยู่แล้วถูกต้องนะใช่ไหยคะแต่ต้องอ่านใ้ขาดนะเหมือนยังเนี่ยอย่าอยวาปาดที่หน้านี่เนเขาต้องอ่านด้ขาดว่ามันจบที่ใจตัวเองหรือไปจบที่คนอื่นใจเราไปจบที่คนอื่นแล้วไปอยู่ที่คนอื่น ใช่ไหมต้องอ่านให้ขาดนะว่าใจเราเนี่ยถ้าอยู่ที่คนอื่นเป็นทุกข์แน่นอนเลยเพราะถ้าเราไปอยู่ที่คนอื่นเนี่ยเราจะไปจบที่คนอื่นพอเขาเป็นอย่างนี้เราจะให้เขาเป็นอย่างนั้นพอเขาเป็นอย่างนั้นเราจะให้เขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาพูดอย่างนี้ทําไมเขาไม่พูดอย่างนั้นทําไมเขาตอนนี้เขาพูดเหมือนเสียงแข็งกับเราทําไมไม่พูดพอๆทาไมเขายังงู้นอย่างนี้อันเนี้ยเราจะไปจบที่เขาตลอดเลยคือไปจบที่อยากจะให้เขาเป็นอย่างที่ใจเรา ต้องการอันนี้เราไม่ได้จบที่ใจเราแต่เราจะไปจบที่เขาต้องดูว่าจบที่ใจเขาบอกว่ามันจบที่ใจหรือไม่จบที่เขาเพราะนั่ะถ้าเราเนี่ยมันจบที่ใจเราเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าธรรมชาติของใจมันก็ได้แต่รู้อยู่แล้วมันก็เป็นความสุขของมันในตัวแต่มันอ่านใจต้องอ่านให้ขาดว่ามันเนี่ยมันจบที่ใจเราหรือเลยไปจบที่อย่างอื่นถ้าเราไปจบอย่างที่อื่นเนี่ยมันไม่ได้จบที่ใจเรา เราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกเป็นอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นมันไม่จบที่ใจเราเราก็เป็นห่วงอยู่ น, นั่นแหละเป็นห่วงไม่จบที่ใจเราเมืเ่อมันในนก็กังวลไปหมดไงกังวลแล้วมันมีแต่ความทุกข์ดูให้ดีนะอืมตรงนี้เนะี่ยสําคัญสําคัญมากเลยเพราะว่าหนูยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่สําคัญเลยว่าเราเนี่ยจะไปจบที่เขาหรือจบที่ใจเราอถ้าจบที่ใจเรา เขาก็มีความสุขด้วยอยู่กับเขาเขาก็มีความสุขอยู่กับใครใครก็มีความสุขแต ouais like like ่ถ้าเราไปจากแค่จบอย่างเขาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทำไมเธอจะไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเธอไม่กินนี่อะทำไมเธอไม่ใช่อย่างนี้ใช้เอ็นี้ไม่หล่อเลยใช้อย่างงี้ไม่ดีใส่ไม่ก็จะสวยกินอย่างนี้มีสุขมีสุขภาพดีกว่าทำไมเธอไปกินอย่างนี้กินทีกินไม่ค่อยดีเลยมันไม่มีสุขภาพจะไปกินอาหาไม่มีสุขภาพใช้อย่างนี้จะดีกว่าใช้อย่างวุนจะสวยกว่าไอ้นี่ดีกว่าทำให้มัอย่างวุ้นดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าที่สุดแล้วไม่ได้จบที่ใจเราเเจบที่ขาหมดเลย คือจบที่เขาใจะให้เขาเปน็นอย่างที่ใจเราแล้วทีเนี้ยชีวิต mm. มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์ะวะเนทุกข์แอบแฝงอยู่แต่ไม่รู้ตัวคือไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจก็มีความขับแคนใจนะฮะไม่ได้จบทีใ่ใจเราแต่เป็นเราอยากใจเขาเปน็นอย่างที่ใจเราอยากใจลูกเป็นอย่างใจเราอยากให้สาม <Hoje> ีเป็นอย่างใจเราอยากในวคนนี้เป็ น, น, น, นกกอย่างใจเราอย่างงี้ฮะไม่มีทางหรอกพอตอนเนี้ยเขาเปน็นอย่างใจเรา แต่ใจเราไม่ยอมจบเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปไปต่ออีกอยากให้เขาทำอย่งนู้อย่างนี้เป็ในอย่างใจเราอีกพ อ, อตอนนี้เขาเอายอมยอมให้เป็นอย่างใจเราเราก็ไม่จบหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องต่ออีกอยากให้เขาเป็นอย่าง ใ, ใ, ใจเราอีกจนกว่าเนี้ยใครตายไปจากการข้างหนึ่งแต่พอใครตายจากการไปไม่จบหรอกยึดทุกทุกที่เขาตายจากไปทุกติดอยู่ในใจค้างอยู่ในใจไม่จบนะไม่จบมันถึงต้องจบที่ใจอ่ะ จบที่ใจเข้าใจอย่างว่าทำไมต้องจบที่ใจสำคัญต้องอ่านใจเองอุสกาอยางหลวงตาที่หลวงตาเคยอธิบายก็ฟังก็เข้าใจใหม่ๆก็ปฏิบัติตามได้ถูกต้องแต่หลังๆมานี้ มันปฏิบัติไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนคือแม้กระทั่งเดินจงกรมอย่างสองสามวันที่ผ่านมาเดินจงกรมก็จะเวียนศีรษะมากรู้สึกตัวแต่ก็หลุดก็ดึงกลับมาให้รู้แล้วก็พยายามจะดูผู้รู้ที่เห็นจนกระทั่งไม่ทราบว่ามันเพราะอะไรมันงงไปหมดเลยพักพักแบบทิ้ง ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเรากลับมาสู่เบื้องต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอะครับเลยรู้สึกงงอะครับว่าเอ๊ะทาไมมันกลับมาเป็นรูปเดิมมันกับเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆเลยคือเราปฏิบัติผิดผิดคือเนี่ยเราพยายามรู้เข้าไปเนี่ยจากข้างนอกเข้าไป ใ, ในตัวเราเองเดี๋ยวให้ห ย, ยีช่วยปิบัติอย่างเงี้ยกลับไปหนึ่งอะ คือเราเนี่ยพยายามรู้จากข้างนอกเข้าไปในตัวเราเองมันเลยมันเลยเกิดเป็นพลังก่อขวนจิตใจพอเราเพ่งเอาตัวขันห้าเนี่ยไปเพ่งรู้เข้าไปในตัวเราเองมันเลยเอามันก็ได้ก่อให้เกิดเป็นพลังเป็นประจุไฟฟ้าเป็นคลื่นต่างๆมารบกวนจิตใจแต่ถ้าเป็นมันเป็นความรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยรู้ตัวเราแท้ๆมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าใจมีแต่ความว่างเปล่าแต่เนี้ยเราเพ่งรู้เข้าไปในตัวเราไม่ใช่ว่า เป็นความรู้ตัวเราตามธรรมชาติรู้ตัวเรารู้ร่างกายรู้จิตใจรู้รูปเวทนาสัญญาลังขาวิญญาณรู้ตัวเราเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติปกติแท้ๆเม่ว่าเราจะไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปพูดไปกระทําอะไรนที่รับที่แจ้งเราไม่หลุดพ้นจากตัวเราที่รู้ตัวเราได้เลยคนอื่นไม่รู้หรอกว่าตัวเราแอบคิดอะไรกับใครเราเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเราเนี่ยกาลังคิดอะไรอยู่เพราะนี่เราเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ตัวเราแต่เราเนี่ยกลับเอาตัวเราพยายามไปรู้ตัวเรา คือเอาไว้ตัวขันห้าเนี่ยพยายามไปรู้ตัวเราเองมันเลยไปตั้งรู้แล้วว่าเพ่งเรมันเลยก่อกวนจิตใจทาให้สภาพจิตใจมันทำไมบึนบึนหัวันปั่นปวมันตื้อตืทอมันตีมร้อนเย็นที่กบูบูบวบบและปฏิบัติไม่ได้ตัวใหญ่ปฏิบัติแบบนี้ผิดแบบนี้เข้าใจไหมครับคือปกติเวลาทำงานหรือว่าเดินไปทำงานหรือว่าเดินกลับจะรู้แบบสบายมากแต่พอ เข้าปฏิบัติทำจริงๆเนี่ยเดินเข้ารูจงกรมอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามันเราทำอะไรต่างมึงน <c oughs> มใช่ไหมใช่ครับแบบเดียวกันนึกเนี่ยแก้ให้ตั้งไม่รู้กี่รอบแล้วแบบเดียวกันนึกเลยแบบเดียวกันนะคือผิดมาข้ามพพข้ามชาติเลยเนี่ยคือไปมาถึงวันแรกเราก็เห็นแล้วมึนงงตือ่อไม่รับรู้อะไรเลย ว่าเอาตัวขันห้าเนี่ยเพ่งใส่เข้าไปในตัวเองเพ่งดูจากข้างนอกอัดเข้าไปตัวเองข้างในอาทิตย์ก็เป็นเป็นทํากันอย่างเงี้ยเยอะแยะปฏิบัติเกือบร้อยเปเซ็นตคือเอาตัวเองไปรู้ตัวเองแล้วก็เพ่งจากข้างนอกเข้าไปรู้ข้างในไม่ใช่ความรู้เนี่ยมันได้มีตัวตนไม่ร่วมอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในหมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่มารู้ตัวเราตลอดอะเราไปแอบคิดแอบพูดแอบการทำอะไรในที่รับที่แจง้งไม่เคยหลุดพ้นจากรู้เลยแต่รู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้กับเพง่งตัวเราหลักมันแต่จะมาอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่มัน ไม่หลอดผลจากรู้เลยแต่มันคงจะอยู่ในตัวเราเนี่ยเราคิดว่านะเพราะว่ามันรู้ตัวเราตลอดเลยมันคงไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเราแต่ก็ไม่ไม่มีใครเห็นมันหรอกเพราะมันตัวตนมันไม่มีไงมันก็เลยไม่มีอํานาจอะไรจะมาเพ่งตัวเราได้แต่ตัวเราเนี่ยแม้แต่เราตัวพยายามไปเพ่งตัวเราแต่รู้มันก็รู้ว่าเราทํากริยาการเพ่งตัวเราแต่อัที่เพ่งรู้ตัวเราเนี่ย อ, อันนี้เป็นกริยาการปรุงแต่งของขันท่าอายอธิบายได้หรอ อาจจะทาให้เข้เขาใจกระจ่างขึ้นก็ยี่เข้าใจว่าเดินจงกลมหรือว่าจะเดินไปทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เหมือนกันก็คือเหมือนเราก็ใช้ขันห้าเดินไปแล้วก็มีสติอยู่กับที่เดินแต่ว่าที่รู้ก็ปล่อยให้มันรู้ของมันเองไปมันก็จะมันก็ทำได้แค่นั้นต้องถามลุงเขาเข้าใจได้ไหม ลุงเนอะถามลุงเข้าใจที่ทหลานพูดเนี่ยเข้าใจครับยังไงคือเวลาเดินเราก็เพียงแต่รับทราบรู้ว่ากายเราเดินคือรู้เฉยๆรู้สบายๆายโดยที่ไม่ไปคิดอะไรกลับรู้สึกตัวเฉยๆว่าอ่าเราเดินอยู่เหมือนจิตเหมือนเรามองเห็นตัวเราเดินทางอยู่อ่ะครับขนาะเดียวกันก็ดูความคิดเราไปด้วยว่าเป็นยังไง แต่ที่มันแปลกคือพอผมเดินเข้าปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าสภาวะนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นเหมือนกับเรียนปฏิบัติธรรมใหม่ๆอย่างที่พระ อ, อาจารย์พูดนะครับไปเพ่งจิตแทนที่ว่าจะรับทราบเฉยๆไม่ตัวผู้รู้ที่มองกายก็ไม่มีละกลายเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาอุปทานมันขึ้นมา มันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทาไมมันจิตมันกลับตลับปัดไปได้มันมันก็ไม่ใช่ว่าต้องมาคอยรู้กายไว้ตลอดนะไม่ใช่คือมันเพียงแต่ว่าสติเราไม่เหม่อเพลเพลเนี่ยเราเดินไปโดยไม่สติขาดไะไรเนี่ยมันก็ความรู้เนี่ยมันรู้เกิดขึ้นเองรู้ร่างกาจิตใจของเราขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือสติไม่ให้ขาดเหม่อเพลเพลปรุงแต่งปรุงสร้างอะไรไปมันก็ ความรู้เนี่ยมันก็รู้ร่างกายจีเจของเราที่เดินไปเองอัตโนมัติเรามีเราฝึกตัวเดียวคือสติไม่เหมื่อเพลินปรุงแต่งพุ่งสร้างอะไรไปจิตไปกับอะไรความรู้ร่างกายจีเจของเราเนี่ยมันก็จะรู้ขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยเราไม่ใชหว่าเรากลัวมันจะไม่รู้เราเลยเพิ่มความรู้ตัวเราก็ไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้ผิดอะไรตัวเนี้ยโอเคเข้าใจแล้วผมว่าผมผิดตรงนี้มาพอเข้าลู่จงกรมแล้วมันเกิดความตั้งใจหนักเกินไป ก็เลยไปแข่งแทนที่ว่าจะปล่อยธรรมชาติไอ้ตัวนี้เขามาพูดกับหญิมาเช้าตั้งเป็นแบบเนี้ยเพิ่มคือเราฝึกแต่สติฝึกแต่สติเราฝึกแต่สติไม่เหมือประเพลินความรู้ส่วนความรู้เรื่องของธรรมชาติก็เองเราไม่ใช่ว่าฝึกพยายามมาดูมาดูตัวเราไว้อันเนี้มันจะเพ่งใส่ตัวเอง เมเช้าเนี่ยท ah ี่ที่ที่ให้หยีลองดูดีบอกว่าเธอไม่ต้องดูตัวเองจีบยีว่ากลัวจะไม่รู้ตัวเองบอกไม่ต้องดูตัวเองนะขอยมีสติอย่างเดียวแล้วอย่าพยายามไปดูตัวเองแล้วทํายังไงก็ได้ให้ไม่ต้องรู้ตัวเองทำมีสติอยู่เนี่ยโดยไม่เหมิอเพลินไปอ่ะแล้วทํายังไงดูที่ว่าจะไม่ให้รู้เรื่องเรื่องร่างกาจิตใจของตัวเองอะทําได้ไหมหยีอลองว่าไม่เอาอย่างไงทําไม่ได้คะเออเป็นยังไงอ้าวเป็นยังไงพราะเราไม่ มีสติอย่างเดียวแล้วเป็นไงคือมันเหมือนกับว่ามันมันรู้ขึ้นมาเองฮิก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือเหมือนฮิเข้าใจว่าอย่างของคุณลุงอะคะ่ะคือเหมือนพอเวลาเราพอเดินจงกลมแล้วมันตั้งใจมากๆแล้วก็พยายามจะบังคับตัวเองว่าไม่ให้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นธรรมาชาติของขันท่าอยู่แล้วว่ามันต้องคิดอ่ะคะ่ะ ก็คือก็คือปล่อยมันไปตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราก็มีสติอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ถ้าเรามีสติอ่ะเหมือนผู้รู้ก็จะรู้เองว่าเออเราเราคิดอยู่หรือว่าเราทําอะไรอยู่แต่ว่าเราแบบไม่ต้องพเพราะว่าเหมือนยิ่งเราพยายามจะไม่คิดมันเหมือนยิ่งฝืนธรรมชาติของขันห้าแล้วมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่อ่ะหรือเปล่าถูกต้องใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยสาธุสาธุ นี่ยนึกก็ผิดผิดเปอย่างเงี้ยแก้มาตั้งหลายวันแล้วแก้มาหลายรอบแล้วแก้ก็ยังงง ง, งมืนม่นมื่นทำแบบเดียวเป็นอย่างเงี้ยแบบเดียวอย่างเงี้ยแต่นี่ผิดมาข้ามขความชาติมาเจอหน้าปุ๊บเห็นปุ๊บเมาเลยเอา้าวผิดแล้วเนี่ยจาผิดมาอาทิตย์นี้กันเหมือนกันแบบเดียวกันต้องทําผิดลักษณะที่กลัวจะไม่รู้อยากรู้มากเกินไปอยากให้มันดีอยากให้มีให้มีสติกับเพ้งอัดกระไปที่ตัวเองตลอดเมื่าทําอะไรก็ต้อง คอยมารู้ตัวเองตลอด ม, มีผู้รูม้มาคอยดูตัวเองไว้ตลอดเลยไว่าจะทำอะไรเขามีผู้รู้มาคอยดูตัวเองตลอดเลยไม่ใช่อันนี้อันนี้คนทั้งหลายเกือบร้อยเปร์เ็นต์ทผิดแบบนี้เลยเราทําได้อย่างเดียวฝึกสติฝึกสติฝึกสติสตคือสติก็คืออย่ามอเบื่อเพิ่นติดปุ่งแต่งไปกับอะไรเห็นอะไรก็ตาไปก็ตามไปเขาเห็นรูปก็ไปกับรูปแหละได้ยินเสียงก็ไปกับเสียงแหละคิดอะไรก็เพลินคิดไปแหละอันนี้เราให้มีสติอยู่ให้รู้ตัวอยู่ ไม่เหม่อเพลเพลติดไปกับรูปรถกี๋เสียงทำผ่านไม่เมื่อเพลเพคิดปรุงแต่งอะไรไปก็มีสติอยู่ทำอะไรก็มีสติรู้ตัวอยู่เดี๋ยวมันรู้เองเรานั่งยืนเดินนอนก็รู้เองเราพูดหรือไม่พูดมันก็รู้เองในภายในใจมีอาการคิดคิดคิดคิดเดี๋ยวมันก็รู้มันเองเนี่ยธรรมชาติรู้ว่ามันรู้เองถ้าเรามีสติเพราะสติอยู่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันสติกับความ เราฝึกสติอย่างเดียวไม่ใช่ไปฝึกพยายามรู้ตัวเราไว้ฝึกสติอย่างเดียวไม่ใช่ว่าไปฝึกพยายามรู้ตัวเราไว้แล้วฝึกพยายามไม่ให้คิดแล้วฝึกฝึกสติอย่างเดียวนะที่ท่านกล่าวว่าธรรมะแปดหมื่นสี่พันประธรรมขันธ์รวมลงที่สติอันเดียวสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีทำมีไม่ทุกข์ สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานสติอันเดียวก็ไม่หลายสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้ไหนสติที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเราฝึกแต่สติอย่างเดียวเดี๋ยวความรู้มันก็รู้ตัวของเราเองเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีสติยังไงอ่ะไม่มีสติคือวันทั้งวันเนี่ยเราก็เอาสติเราไปอยู่กับงานที่ทําไปอยู่กับคนนู้นคนนี้ไปอยู่กับเสียงที่เราฟังไปอยู่กับเกม เกมโทรศัพท์มือถือที่เขาชอบเล่นกันก็อยู่กับเกมถ้าเราเอาสติไปอยู่กับอะไรอ่ะมันก็ไปรู้แต่เรื่องนั้นอ่ะเพราะว่าถ้าเราเอาสติไปอยู่กับอะไรมันจะรู้แต่เรื่องนั้นเพราะว่าสติอยู่ที่ไหนความรู้มันอยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติมันอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยถ้าเราเอาสติเราไปอยู่กับเกมเราก็ไปรู้แต่เรื่องเกมเราก็เก่งเรื่องเกมเราเอาสติเราไปอยู่กับเรื่องของชาวบ้านเราก็เก่งแต่เรื่องชาวบ้านอ่ะใครไปยังไงมีอะไรกับใครไงเรารู้เรื่องอะไชาวบ้านทั้งหมดอ่ะเรารู้หมดอ่ะแต่เราไม่รู้อยู่อย่างเดียไม่รู้ตัวเเราอง อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสติแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เอาสติออกไปอยู่นอกตัวเราเนี่ยมันก็จะรู้เรื่องของตัวเราเองอัตโนมันติเราไม่จะเป็นต้องว่าพอเราเนี่ยไม่เอาสติไปอยู่กับใครนอกนอกกายนอกใจเราแล้วเราจะต้องใหม่เพิ่อมอีกชั้นคือมาคอยรู้ตัวเราไว้อันนี้สำคัญนะคือไม่ใช่ว่าเราพอเราเนี่ยไม่เอาสติ ของเราไปตั้งที่คนอื่นไปตั้งที่นอกตัวเราคือตรงออกนอกนอกกายนอกใจเราแล้วเราจะต้องมาเพิ่มอัอนคือเพิ่มความรู้ตัวเราไว้อีกอันไม่ใช่นะคือเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยม่สติไปตั้งอยู่ที่คนอื่นไม่ไปตั้งไวที่ไหนมันอยู่ในตัวเรานี่แหละสติมันอยู่ในตัวเรานี่ยแหละไม่ส่งจิศออกนอกเราก็ทําอะไระมันจะรู้ตัว เ, เองอัตโน o m a t มันจะรู้ตัว เ, เองอั t o n o m a t มันก็เหมือนอย่างเนี้ย ย้อนเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างอ่ะถ้าใจเปี่ยมือนเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้เมันมีเจ้าของอยู่คือมีสติมีสติอยู่คือไม่เอาใจออกไปนอกบ้านไปเล่ร่อนออกไปนอกบ้านคนทั้งหลายในบ้านนี้ตั้งเยอะแยะทําอะไรเนี่ยเจ้าของบ้านก็ต้องรู้เองเพราะว่าเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านใจอยู่ในบ้านแต่ถ้าเราเนี่ยไม่มีสติใจเราก็ไปอยู่นอกบ้านในบ้านเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องเลยในบ้านมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยเราก็รู้ตัวอยู่ว่าใจเราไม่ส่งออกไปนอกบ้านเรื่องของในบ้านเรารู้เรื่องหมดเลยโดยไม่ต้องไปตั้งใจดูในบ้านอีกคนนึงเพราะเราอยู่ในบ้านแล้วเรื่องในบ้านเราก็ต้องรู้หมดอะผมว่าที่มันยากคือเรื่องในบ้านมันก็วุ่นวายไปหมดอะครับอือคือเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเเด๋ยเด๋ยวี๋ยี๋ยวดี๋ยวเดดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว <c oughs> ใจมันมันมีแต่ความว่างเปล่าแต่ความวุ่นวายมันเป็นเรื่องของอาการของใจมันอยู่นอกบ้านใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจใจมีแต่ความสงบความว่างเปล่าแต่เรื่องของนอกใจมันวุ่นวายของมันอย่างนั้นไงมันไม่ได้เกี่ยวกับใจบ้านเนี่ยคือใจใจเนี่ยมันเป็นแต่ความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลย แต่เรื่องของอาการต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกใจนอกบ้านเขาจึงเรียกว่าอายตนะภายนอกถ้าเขาใจผิดแล้วเขาจะว่ามันในบ้านมันเรื่องวุ่นวายเรื่องวุ่นวายมันคืออายตนะภายนอกทำมารมเนี่ยมันคืออายตนะภายนอกนะไม่ใช่ภายในพระเจ้าแผ่นดินะทำมาลมคืออายตนะภายนอกแต่เราเข้าใจว่ามันอยู่ภายในแต่ มันอายตนะเป็นอายตนะนั้นมันเป็นอายตนะภายนอกไม่ใช่ใจด้วยเป็นอายตนะภายนอกทำอารมเป็นอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสหดทพะสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายรวมทั้งทำอารมคือเวทนาสัญญาสังขารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกชนิดที่ถูกรับรู้ได้ทุกกิริยาอาการที่กระเพิ่มได้ไหวตัวได้เป็นอายะตนะภายนอกแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นใจใจเราเลยวุ่นวายใจเราเลยวุ่นวายบ้านเราเลยวุ่นวายใจเราเลยวุ่นวาย แต่นี่มันเป็นอายตนะภายนอกเทียบเท่ากับรูปเลยรูปย่อมวุ่นวายเสียงย่อมวุ่นวายกลิ่นย่อมวุ่นวายสิ่งที่มาสัมผัสรสชาติย่อมวุ่นวายเดี๋ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวไม่อร่อยย่อมวุ่นวายสิ่งที่มาสัมสัมผัสผิวกายร้อนอ่อนแข็งเดี๋ยวอากาศร้อนอากาศเยน็นเดี๋ยวฝนฟ้าตกเดี๋ยวสบายไม่สบายมันย่อมวุ่นวายอาการทั้งหมดทำอารมณ์ทุกชนิดเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกย่อมวุ่นวาย แต่บ้านเน่ะคือใจมีแต่ความสงบระวางเปล่าไอ้ทุกอย่างเป็นอายะตะนะภายนอกหมดรูปรถกินเถียงสัมผัสเกตสีธรรมลมเป็นอายะตะนะภายนอกไม่ใช่ใจแต่เราเข้าใจว่าทําไมในบ้านเราคือมันวุ่นวายใจวุ่นวายใจไม่วุ่นวายใจก็ไม่วุ่นวายแต่อายะตะนะภายนอกเป็นสิ่งที่วุ่นวายโลกนี้เป็นของวุ่นวายแต่ใจไม่วุ่นวายนในในต้นเช็คําพูดนี้ ทุกสรพรพสิ่งรว้วุ่นวายแต่ใจไม่วุ่นวายอายาตนาภายนอกทั้งหมดเป็นของเกิดดับจึงวุ่นวายเป็นทุกข์แต่ใจเท่านั้นที่ไม่วุ่นวายเราเข้าใจผิดเอาธรรมอารมณ์อาการมันเป็นภายในมันเป็นภายนอกเป็นอายตนะภายนอกใจเท่านั้นแน่ใจเท่านั้นแน่ที่ไม่วุ่นวายนอกจากนั้นเป็นอายาตนะภายนอกทั้งหมดเราะนั้นอาการอาการทุกชนิดเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเทียบเท่ากับรูป รนั้นรูปเบไม่ได้ไปกิลเลสของใจถ้าใจเนี่ยไม่ไีปปัญหากับรูปนั้นธรรมอารมณ์เนี่ยไม่มีไม่ได้มีปัญหาต่อใจถ้าใจเนี่ยไม่มีปัญหาต่อธรรมอารมณ์นั้นเสียงไม่ได้มีปัญหาต่อใจแต่ใจเนี่ยคอยไปมีปัญหากับเสียงมีผู้มามาลาหลวงปู่ดุลไปไปอยู่ที่วัดอื่นบอกว่าวัดนี้เสียงดังมากเหมือนกับตอนนี้ที่ี่มีการก่อสร้าง บอที่นี่เสียงดังมากเลยเราไปหาที่ปฏิบัติธรรมที่อื่นดีกว่าเพราะว่าที่นี่มันเสียงดังมากเหมือนกับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดระบูดุลนะบอกว่าทำไมที่นี่วัดนี้มันเสียงดังมากขอไปปฏิบัติธรรมที่อื่นดีกว่าเสียงมันดังเหลวงปู่ดุลให้ให้พิจารณาดีๆว่าเสียงอ่ะมันมีมันมีปัญหาต่อใจหรือใจมันเป็นเป็นปญหาต่อเสียง ถ้าท่านพี่ณาตรงนี้ไม่ออกขอให้ท่านไปอยู่ที่ไหนท่านก็ไม่เข้าใจหรอกว่าใจเนี่ยมันไปมีปัญหาต่ออายทานะภายนอกหรืออายทานะภายนอกมันมามีปัญหาต่อใจถ้าใจเนี่ยสิ้นมีปัญหาต่ออายทานะภายนอกคนทุกนิพพานแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเรายังแยกไม่ออกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย ม, มันมีปัญหาต่อใจ หรือใจเป็นมีปัญหาต่อสีนั้นถ้าเราแยกไม่ออกอ่ะเราพ้นทุกไม่ได้เราจะโทษว่าทุกอย่างในโลกนี้มีปัญหาอันนี้ก็มีปัญหาอันนี้ก็มีปัญหาอันนี้ก็มีปัญหาความวุ่นวายมีปัญหาความวุ่นวายทำไมมันวุ่นวายแบบเนี้ยในใจเราก็มีอาการวุ่นวายมากเลยวุ่นวายวุ่นวายแต่ความวุ่นวายเนีย่ยมันมีปัญหาต่อใจหรือใจไป ม, มีปัญหาต่อความวุ่นวายเราท่ า, านแยกตรงนี้ออกทันพ้นทุกได้ทุกอย่างวุ่นวายแต่ใจสงบและว่างเปล่า ทุกอย่างวุ่นวายเป็นธรรมชาติที่เราต้องวุ่นวายพุทธเจ้าตรัสว่ารูปรสกลิ่นเสียง ส, สัมผัสเสศีธรรมลมเป็นอนิจจังเป็นทุกข์นี่ไงมันเป็นทุกขงังเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา